สี่ปฐมสารณ า, านิสักุสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่าสารณ า, านิสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงระบิลพัท ส, สมัยนั้นเจ้าสักยะพระนามว่าสารณ า, านิสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เท้าถือว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า ได้ยินว่าณที่นั้นเจ้าสักยะหลายพระองค์มาประชุมพร้อมกันต่างตําหนิประนามโพนธนาว่าท่านทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบัดนี้ใครเล่าณที่นี้จะไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสนานานิสักยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรเท้าเือว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าแต่เจ้าสารานิสักยะถึงความท้อแท้ในศิขาสวยน้ำจันครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรเร้ยกราบทุนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาล เจ้าสารา น, านิสักยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เท้าถถอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าได้ยินว่าณที่นั้นเจ้าสักยะหลายพระองค์มาประชุมพร้อมกันต่างตำหนิประนามพนธนาว่าท่านทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ บรนี้ใครเล่าณที่นี้จะไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสารา น, านิสักยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรเท้าถือว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าแต่เจ้าสารา น, านิสักยะถึงความท้อแท้ในสิกขาสวยน้ำจันพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษ อุบาสกพูดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลนานจะถึงความตกต่ําได้อย่างไรบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงอุบาสกนั้นใดว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลนานบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวถึงเจ้าสกิยะพระนามว่าสรณา น, า น, นิว่าเป็นอุบาสก ผู้ทรงถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลนานพระองค์จะถึงความตกต่ำได้อย่างไรมหาประพิษบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวยในพระธรรมละถึงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไวยในพระสงฆ์มีหาสปัญญาปัญญาร่าเริงมีชวณปัญญาปัญญาแล่นไปและถึงพร้อมด้วยวิมุตต์เขาทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน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 ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึงในพระสงฆ์มีหาสปัญญามีชววณปัญญาแต่ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุติเขาจึงเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพาคิยสังโยชน้าประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตย ร, รชานภูมิแห่งเปรต อบายทุกติและวินิบาต 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอนันไม่หวนไหวยในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพระเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคประกอบด้วยความเลื่อมใสอนันไม่หวนไวยในพระธรรมละถึงประกอบด้วยความเลื่อมใสอนันไม่หวนไวยในพระสงฆ์ ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชววณปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตตเขาจึงเป็นพระสกะทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเพราะบรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางได้แม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตวดรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาต ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวยในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไว้ในพระธรรมละถึงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไว้ในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญา ไม่มีชวนณปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวีมุติเขาจึงเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเพราะสังโยชสามประการสิ้นไปแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์ยิรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาต 5. ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระพุทธเจ้าละถึง ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวยในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไวยในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชาวณปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่เขามีธรรมเหล่านี้คือสัททินีวิริยนินีสติินีสมาทินินีปัญยินีและธรรมทั้งหลายที่ตาถาคตรประกาศแล้วย่อมควรแก่การพิจารณาด้วยปัญญาโดยประมาณ แม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกําเนิดสัตว์ิระชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาต 6. ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระพุทธเจ้าและถึงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวณปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุต แต่เขามีธรรมเหล่านี้คือจัดทินสีและถึงปัญญินสีและเขามีศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณในพระตถาคตแม้บุคคลเหล่านี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัติรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาตมหาประพิษแม้หากต้นสาระใหญ่เหล่านี้เพิ่งรู้จักคำสุภาษิตคำทุกภาสิต อรรมภาพก็จะพยากรต้นสาระใหญ่เหล่านี้ว่าเป็นโซดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเจ้าสารา น, านิสากยะเลยเพราะเจ้าสารา น, านิสากยะได้สมาทานสิกขาบทในเวลาจะสวรรคตคดปฐมสารา น, านิสักสูตรที่สจบ รุติยะสารานานิสักสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่าสารานานิสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงกับบิลพัฒน์สมัยนั้นเจ้าสกยะพระนามว่าสารณ า, านิสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เท้าเถอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสาเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าได้ยินว่า ณที่นั้นเจ้าสักยะหลายพระองค์มาประชุมพร้อมกันต่างตำหนิประนามโพลธนาว่าท่านทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบัดนี้ใครเล่าณที่นี้จะไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสรารานิสักยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เท้าเธอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่า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 บัดนี้ใครเล่าณที่นี้จะไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสรารานิสาขยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรเท้าเธอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าแต่เจ้าสรารานิสาขยะไม่ได้ทรงบําเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามห า, าพิษ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 พระองค์จะถึงความตกต่ําได้อย่างไรมหาประพิ์บุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้มั่นคงเลื่อมใส ย, ยิ่งในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงเลื่อมใส ย, ยิ่งในพระธรรมละถึง ในพระสงฆ์มีหาสปัญญามีชววณปัญญาและถึงพร้อมด้วยวิมุตตเขาย่อมทําให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัติระชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาต 2.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 เพราะโอรัมภาคียสังโยชน้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้อุปหจจะปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตโอกติทคามีแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรก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 ไม่มีหาสะปัญญาไม่มีชววณปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตตเขาจึงเป็นพระสกะทาคามีเพราะสังโยษสามประการสิ้นไปเพราะบรรทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์ิระชานภูมิแห่งเปรตอบายทุคติและวินิบาต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 เขาจึงเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาต 5. เป็นผู้มั่นคงเลื่อมใส ย, ยิ่งในพระพุทธเจ้าละถึงในพระธรรมในพระสงฆ์ ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชววณปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตตแต่เขามีทมเหล่านี้คือสัตทินสีและถึงปัญยินสีและทาทั้งหลายที่ตถาคตประกาศย่อมควรแก่การพิจารณาด้วยปัญญาโดยประมาณแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัตยรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุขติและวินิบาต เป็นผู้มั่นคงเลื่อมใส ย, ยิ่งในพระพุทธเจ้าละถึงในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีหาส ป, ปัญญาไม่มีชาวณปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตตแต่เขามีธรรมเหล่านี้คือสัตทินสีละถึงปัญญสีและเขามีศรัทธาพอประมาณมีความรักพอประมาณในพระตถาคตแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัติรชาน ภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาตมหาประพิธเปรียบเหมือนนาไม่ดีพื้นดินเสียไม่ได้ถอนตอพืชก็หักเน่าเสียถูกลมและแดดทำลายไม่มีแกนสารเก็บไว้ไม่ดีถึงฝนก็ตกลงมาไม่ดีพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามเติบโตได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ามหาประพิธ อุปมาณ้ฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นธรรมในศาสนานี้ที่กล่าวไม่ดีประกาศไม่ดีไม่นำสัตว์ออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศอารรมภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเพราะนาไม่ดีและสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมในธรรมนั้นอยู่ อาตมาภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเพราะพืชไม่ดีมหาปพิธเปรียบเหมือนนานดีพื้นดินดีถอนต่อแล้วพืชก็ไม่หักไม่เน่าเสียไม่ถูกลมและแดดทำลายมีแกนสารเก็บไว้ดีและฝนก็ตกลงมาดีพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามเติบโตได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ามหาปพิธอุปมาณ้ฉันใด อุปมายข้อฉันนั้นทำในศาสนานี้ที่กล่าวดีประกาศดีนำสัตว์ออกจากทุก์เป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศอาตมภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเพราะนาดีและสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤตตามธรรมในธรรมนั้นอยู่อาตมภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเพราะพืชดี ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเจ้าสรานานิสักยะเลยเพราะเจ้าสร น, นานิสักยะได้ทรงบำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์ในเวลาจะสวรรคตทุติยสรานานิสักสูตรที่5จบหอ พรมมะอนาถปิณิขะสูตรว่ า, ด, า, าด้วยอนาถปิณิขะคฮาบดีสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านอนาถปิณิขะคฮาบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาถปิณิขะคฮาบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจํเริญเจ้าจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ กราบท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล่าวตามคําของเราว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอนาถปิณิขะคะบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล่าวและเจ้าจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถปินิขะคะบดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคาแล้ว ข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่เอาพิวาทแล้วนั่งนั่ที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอนาถปินิขะขะปฎีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล่าวและฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์ ข้ไปเยี่ยมท่านอนาถปิณิกะขะบดีถึงนิเวศด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณนะเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถปิณิกขะขะบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วถามท่านอนาถปิณิกะขะบดีดังนี้ว่า ขหบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเราลงไม่กคยเริ่บขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านอนาถปินิกขะข้าดีตอบว่ากระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏขอรับ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 เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระ ง, งับไปโดยพลัน 2. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสเช่นใดในพระธรรมหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก ความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระธรรมย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระ ง, งับไปโดยพลันส ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสเช่นใดในพระสงฆ์หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระสงฆ์ย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 4. ประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีลเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกความเป็นผู้ทุศีนเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึง เป็นไปเพื่อสมาธิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นศีลที่พระอริยชอบใจนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบรังับไปโดยพลันห้าประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกมิจฉาทิฏฐิเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาทิฏฐิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาทิฏฐินั้นว่ามีอยู่ในตน เวทนาก็จะสงบประงับไปโดยพลัน 6. ประกอบด้วยมิจฉาสังกประเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาสังกประเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาสังกประก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาสังกประนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบประงับไปโดยพลัน 7. ประกอบด้วยมิจฉาวาจาเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกมิจฉาวาจาเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาวาจาก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาวาจานั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 8. ประกอบด้วยมิจฉากรรมัตะเช่นใด หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิชากรรมันตะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมากรมมนตะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมากรรมันตะนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระ ง, งับไปโดยพลัน 9. ประกอบด้วยมิชาอาชิวะเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก มิจฉาอาชีวะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาอาชีวะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาอาชีวะนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระ ง, งับไปโดยพลัน 10. ประกอบด้วยมิจฉาวายามะเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาวายามะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาวายามะ ก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาวายามะนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบประงับไปโดยพลัน 11. ประกอบด้วยมิจฉาสติเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาสติเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาสติก็ท่านพิจารณาเห็นสัมมาสตินั้นว่ามีอยู่ในตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 12. ประกอบด้วยมิจฉาสมาธิเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาสมาธิเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาสมาธิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาสมาธินั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 13. ประกอบด้วยมิจฉาญาณเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาญาณเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาญาณนะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาญาณ น, นั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 14. ประกอบด้วยมิจฉาวิมุติเช่นใด หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจาวิมุติเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาวิมุติก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาวิมุตินั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระ ง, งับไปโดยพลันขณะนั้นเวทนาของท่านอนาถปิณิขละขะบดีได้สงบระ ง, งับไปโดยพลันท่านอนาถปิณิขะขะบดี อังค่าท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ด้วยอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับตนแล้วจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าเมื่อท่านพระสารีบุตรชันเสร็จวางมือจากบาตรแล้วจึงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดมีศรัทธาในพระธถาคตตั้งมั่นไม่วันไหวมีศีลอันงามที่พระอริยชอบใจและสรรเสริ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิต ท, ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าเพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมครั้นท่านพระสารีบุตรอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้แล้วก็ลุกจากอาสนะจากไป ต่อมาท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตร ถ, ถามท่านพระอานน์ดังนี้ว่าอานน์เธอมาจากที่ไหนแต่ยังวันท่านพระอานน์ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนท่านอนาถปิณิกะขะคบดีด้วยโอวาทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานน์สารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากได้จำแนกองค์เครื่องบรรลุโสดาด้วยอาการสิบอยา่างปฐมมอนาถปิณิกะสูตรที่6จบเจ็ด ทุติยาอนาถปิณิขะสูตรว่าด้วยอนาถปิณิขะขะบดีสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านอนาถปิณิขะขะบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาถปิณิขะขะอบดีเรียกปุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญเจ้าจงเข้าไปหาท่านพระอาน์ กราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราว่าเพราะคุณเจ้าผู้เจริญท่านอนาถบินิกขะหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล้าวและเจ้าจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระอานนนโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถบินิกขะหบดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคาของท่านอนาถบินิกขะหบดีแล้ว เข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่มาพิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอานน์ดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญอนาถบิณิกกะขหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยศีลกล้าวและฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระอานน์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถบินิกกะขหบดีถึงนิเวศด้วยเถิด ท่านพระอานน์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานน์ครองอันตรวาสศถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถเบนิกะขหะบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วถามอนาถเบนิกะขะหบดีดังนี้ว่าขหะบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเราลงไม่กำเริบขึ้นหรือ อาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านอนาถาปินิกขะหะบดีตอบว่ากระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏขอรับขะบดีปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมสะดุง้งหวาดวัน กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าทำสีประการอะไรบ้างคือปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้หนึ่งประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุง้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า 2. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรม ก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า 3. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า4ประกอบด้วยความทุกศีล ก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความทุศีนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าข้าบดีปุ้ทุชนผู้ไม่ได้สะดับประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ย่อมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยธรรมสีประการย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า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 เมื่อกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุง้งไม่หวาดวันเมื่อกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าส ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นศีลที่พระอริยชอบใจนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุง้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าขหาบดีพระอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยธรรมศีประการนี้ย่อมไม่สะดุง้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า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 ผมยังไม่เห็นสิกขาบทเหล่านั้นในตนสักข้อว่าขาดไปพระหบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วโซดาปฏิผลท่านทำให้แจ้งแล้วทุติยานาทะปินทิกระสูที่เจ็จบ สมภะพยาเวรุปะสันตสูตรว่าด้วยอริยสาวกระงับภัยเวรสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถปินิขะขะดีผู้นั่งนั่ที่สมควรว่าขาะดีเมื่อใดอริยสาวกระงับภัยเวรห้าประการได้แล้วประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการ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 อริยสาวกระงับภัยเวรหประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสำไปรายาพบบ้างเศรษทุกโทมนัสทางใจบ้างบุคคลผู้เว้นขลาจากการฆ่าสัตว์แล้วย่อมระงับภัยเวรนั้นได้อย่างนี้ 2. บุคคลผู้รักทรัพย์ละถึงส บุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม 4. บุคคลผู้พูดเท็จ 5. บุคคลผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสำไปรยพบบ้างเวยทุกทมนัดทางใจบ้าง บุคคลผู้เว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วย่อมระ ง, งับภัยเวนนั้นได้อย่างนี้อริยสาวกระ ง, งับภัยเวรหประการนี้อริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า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 เป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสประการนี้อริยสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยะญยาณธรรมด้วยปัญญาอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มาสิสการโดยแยบคลายด้วยดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทคือเมื่อเหตุมีอวิชชาเป็นต้นนี้มีผลมีสังขารเป็นต้นนี้จึงมี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 ความดาบแ่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการไรชนี้อริยสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยะญายธรรมด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แลเมื่อใดอริยสาวกระงับภัยเวรหประการนี้ประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้และเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาณธรรมด้วยปัญญาแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่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 ติยภาวะเวรูปสันตสูตรว่าด้วยอริยสาวกระงับไัยเวนสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกระงับไัยเวนหประการนี้ประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้และเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาณธรรมด้วยปัญญาแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่